เรื่องเล่าผีหลอนตอนหมู่บ้านชุมทางผีณวันออกเดินทางทริปนี้ก็เหมือนทริปก่อนๆของผมจุดหมายปลายทางก็คือที่น้ำตกแห่งหนึ่งในอำเภอสังคละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีผมนัดกับเพื่อนอีกห้าคนที่ตัวเมืองกาญจนบุรีครับ การพลอยฝุ่นจอดและน้ำขับรถยนต์ไปกันเมื่อถึงต้นทางพวกเราฝากรถไว้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตัวอำเภอจากนั้นก็จัดซื้อหาสเสบียงแล้วผมเลยไปหาผู้ใหญ่บ้านให้หาคนนำทางให้ผมหน่อยเออที่ที่ผมจะไปเนี่ยพอจะมีคนนำทางให้พวกผมได้ไหมครับ เขาก็ตอบมาว่าไอ้โนเองจะไปจริงเหรอแน่ใจแล้วนะผมก็แปลกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเราอุตส่าห์มาถึงนี่เสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินแล้วเกเลยบอกว่าให้ไปหาพรานไพรพวกผมเลยออกตามหาพรานจนเจอตัวแล้วก็บอกจุดหมายที่จะไป สิ่งแรกที่พรานเขาถามก็คือพวกเองมีเหล้าเบียร์ของมึนเมาติดมาด้วยไหมพวกผมเลยบอกว่ามีครับพรานเลยบอกกลับมาว่าข้าจะไปส่งเองแค่ปากทางข้างในนั้นข้าไม่อยากเข้าไปพวกผมเลยปรึกษากันขอให้พรานวาดแผนที่คร่าวๆให้หน่อย สูงระยะทางจากปากทางเข้าถึงตัวน้ำตกก็ประมาณ12กิโลเมตรครับหลังจากนั้นพรานก็ไปส่งพวกผมที่ปากทางซึ่งเป็นเวลาส0บโมงกว่ากว่าก็เหมือนกับสถานที่อื่นๆที่ผมเคยไปนั่นแหละครับเป็นสภาพป่าที่ค่อนข้างรกมีต้นไม้สูงปกคลุมไอการเพื่อนของผมหันไปเห็นสารมันเอ่ยออกมาว่า เฮ้ยพวกเองเอาของเส้นเจ้าที่หน่อยไหมจะเข้าที่เข้าทางเขาอ่ะไอ้จรอดเลยพูดออกมาว่าไม่ต้องรอกเสียเวลาวะนี่จะเที่ยงละเดี๋ยวถึงจะมืดซะก่อนผมเลยไม่เอาอะไรมากเลยมุ่งหน้าเดินทางเพื่อเข้าไปยังตัวน้ำตกบรรยากาศภายในป่าก็ชื้นๆครับเพราะมีต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุม แทบไม่เห็นแสงแดดส่องลงพื้นดินพวกผมหยุดเติมพลังกันเวลาประมาณสี่โมงเย็นและแล้วก็ถึงน้ำตกมันสวยมากสวยจนพวกผมหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งสวยเกินคำบรรยายเลยกะว่างั้นตั้งแคมป์ข้างๆน้ำตกเลยละกันพวกผู้หญิงก็ถ่ายรูปเล่นน้ำจัดเตรียมอาหารที่พัก ผมจอร์จและการก็นั่งจิบเบียร์เล่นกีตาร์กันเพลินๆกับบรรยากาศที่สุดแสนจะบรรยายเวลาประมาณสองทุ่มพวกผมก็ก่อกองไฟนั่งล้อมวงกันตามประษาวัยรุ่นพักหนึ่งพลอยก็ปวดฉี่มันเลยบอกให้ฝุ่นไปเป็นเพื่อนสักพักก็กลับมากันครับฝุ่นก็ปกติครับ ร้องเพลงสังสรรค์แต่แปลกที่พลอยครับหลังจากที่มันกลับมามันก็นั่งเงียบไม่พูดไม่จาดูตัวสัน่นน้ําตาคลอทั้งที่ปกติมันร่าเริงสุดในแก๊งผมเลยถามมันว่าพลอยเป็นอะไรมันก็ไม่ตอบเอาแต่นั่งก้มหน้าก้มตาพวกผมหยุดร้องรําทําเพลงหันมาทางพลอย ทั้งส ก, กิดถามเขยา่ามันก็ไม่หือไม่อือพวกผมก็จนปัญญาจนผมรู้สึกว่ามันแปลกๆผมจึงยกมือไหว้พระที่ผมห้อยแล้วไปคล้องคอมันจากนั้นมันก็หลับไปเลยงงสิครับนั่งมองหน้ากันเอ๋อเลยเลยพากันเข้านอนสงสัยจะเป็นเพราะมันน่าจะไข้ขึ้นจากนั้นก็ออกมาสังสรรค์กันต่อ เวลาก็ดึกขึ้นดึกขึ้นตอนนั้นประมาณห้าทุ่มพวกผมจะเข้านอนกันหมดไอจอร์จหันไปทางที่เราเดินเท้าเข้ามาก็เห็นผู้หญิงวัยกลางคนอุ้มลูกเดินออกมาจากเงามืดของป่ามันเลยถามว่านา ah, ครับน้า ah, จะไปไหนครับพวกผมก็หันหน้ามองกันหมดแกเลยบอกโลนามาซาบา จะพาไาหาหมอที่หมู่บ้านความหมายก็ประมาณว่าลูกน้าไม่ค่อยสบายจะพาไปหาหมอที่หมู่บ้านผมเอกใจนิห่าทุ่มแล้วเขาเดินออกมาทาั้งทางที่ทางมันมืดขนาดนั้นได้ยังไงน้ำมันก็หันมาบอกผมว่าเออนะเขาคนพื้นที่เข้าออกประจำไม่ต้องไปไรเขาหรอก จากนั้นนาเขาก็เดินหายไปในเงามืดที่ทางออกไปยังหมู่บ้านพวกผมก็เก็บข้าวของเข้านอนประมาณเที่ยงคืนนอนไปยังไม่ทันจะหลับดีผมก็ได้ยินเสียงข้างนอกเต็นท์เหมือนมีคนเดินย่ำใบไม้ข้างนอกผมจึงหันไปสกิดฝุ่นได้ยินปะ่ะมันตบหน้าผมแรงมากครับแล้วมันก็บอกว่า เงียบปากของมึงเลยหลับๆไปซะได้ยินอะไรห้ามทักห้ามพูดไอ้เราก็โมโหครับเอาก็ได้ยินจะให้ทำยังไงละ่ะแล้วสักพักเสียงก็เงียบไปแต่มันยังไม่จบแค่นั้นประมาณตีหนึ่งกว่าๆผมได้ยินเสียงนกหวีดแว่วมาตามลมตามด้วยเสียงเหมือนกับฝีเท้าหลายๆเท้าย่าอยู่กับที่ ผมก็ขมตาหลับครับกลัวก็กลัวสักพักมีอะไรไม่รู้มาเขย่าเต้นผมผมทนไม่ไหวจึงหันไปหาฝุ่นอีกแล้วถามมันว่าได้ยินเหมือนที่กูได้ยินไหมคราวนี้มันสั่นเลยครับเหงื่อออกเต็มไปหมดแล้วก็บอกว่ากูได้ยินทุกอย่างกูก็ยังหลับไม่ลง แล้วพวกเราก็ตื่นกันหมดเลยครับยกเว้นพลอยพวกเรามานั่งล้อมวงในเต็นท์ปรึกษากันว่าเอายังไงดีเสียงก็ยังคงดังแว่วในหูทุกคนตลอดแล้วก็หลอนกันเลยครับเสียงผู้ชายวัยกลางคนดังมาจากนอกเต็นท์พวกมึงไม่รอดกันหมดหรอกต้องมีใครสักคนต้องตายทำอะไรไว้พวกมึงสักคนต้องตาย ต้องมีคนตายตายหลอนเลยครับกลัวสุดชีวิตมือไม้สั่นไปหมดทำอะไรไม่ถูกฝุ่นกับน้ำเอาแต่นั่งร้องไห้เพราะกลัวผมกับไอจรอดและไอการก็ได้แต่สวดมนต์ครับเท่าที่ชีวิตเคยรู้จักทุกบททุกตอนที่เคยเข้าไข่ธรรมะมีพระกี่องค์ก็ควักออกมากันพนมมือไหว้กันหมด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 มันตื่นเป็นคนแรกมันเล่าว่ากูจําได้แค่กูปวดชี่เลยชวนอีฝุ่นไปขณะกําลังทําธุระก็มองไปเหนือน้ำตกด้านบนเห็นหวัยรุ่นน่าจะเป็นชาวบ้านแต่งตัวเหมือนกะเหรี่ยงจ้องตากูกูก็จ้องตามันตามันแดงเถือกเหมือนสีเลือดยืนมือมาลูบหน้ากูแล้วกูก็หลับไปเลย พวกผมงงเลยครับงงมากงงจนทําอะไรไม่ถูกหลังจากอึ้งกันอยู่พักใหญ่ก็เลยตัดสินใจกันอาบน้ําทําธุระเก็บข้าวของเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านถึงปากทางประมาณบ่ายโมงกว่าๆพวกผมจึงรีบนําข้าวของที่ยังคงพอมีเหลือบ้างที่ยังไม่ทันได้ใช้ได้กินมาเส้นไหว้ศารตรงปากทาง กราบไหว้ขอามาในสิ่งที่ได้กระทำผิดไปขณะเดินเข้าหมู่บ้านฝุ่นมันบ่นว่าปวดหัวหายใจไม่ค่อยสะดวกเหมือนจะเป็นไข้เลยพากันไปที่อนามัยของหมู่บ้านเพื่อที่จะขอยากินแก้ขัดผมอาสาเข้าไปขอยาภายในอนามัยขณะกำลังนั่งรอยาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาถามพี่คนที่ผมขอยาว่าศพแม่ลูก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 ตะลึงจนพูดอะไรไม่ออกผีเขาเลยตามเพื่อนๆนของผมที่รออยู่ด้านหน้ามาดูผมเพื่อนทั้งหมดตะลึงกับใบหน้าศพนั้นมากอาการเดียวกันหมดมันคือคนคนเดียวกับที่พวกผมเจอเมื่อคือนครับใบหน้าเหมือนกันเปะ๊ะคือคนคนเดียวกันเลยพลอยเลยพยุงพวกผมออกไปข้างนอกแล้วถามว่า เกิดอะไรขึ้นฝุ่นจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังขณะกำลังเดินไปเอารถก็มีลุงแก่แกเดินถอดเสื้อมียันเต็มตัวเดินเข้ามาหาพวกผมแล้วถามว่าพวกเองคนครุงเหรอเข้าไปบองสนดเบียงมาละสิพวกผมก็งงว่าแกพูดถึงอะไร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 ชาวบ้านแถวนั้นเลยเรียกว่าบองสโนดเบียงซึ่งภาษากะเหรี่ยงมันแปลว่าพื้นที่ชุมนุมผีจนทำให้ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปหาของป่าทางนั้นแม้แต่พรานไพรมันยังไม่กล้าเข้าไปเลยมันมีเรื่องเล่าขานมากมายสมัยพ่อของลุงท่านเล่าให้ฟังว่า พื้นที่ตรงนั้นมันเป็นค่ายทหารเถื่อนยิงกับทหารพรม่า ก, กันแรมเดือนจนพากาันล้มตายมากมายก่ายกองพวกผมตะลึงเลยครับจากนั้นก็ลาลุงลาผู้ใหญ่บ้านกลับกรุงเทพนัดกันทำบุญยกใหญ่เรียกว่าเดินสายเลยก็ว่าได้ครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือเวลาไปเที่ยวสถานที่ ที่มันต่างบ้านต่างเมืองเที่ยวเาขาเที่ยวดอยหรือที่ที่เราไม่คุ้นเคยก็เตรียมของเส้นไหวเจ้าที่สักนิดเถอะครับมันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรเลยเจอสารเจ้าสารอะไรก็ตามก็ว่ากล่าวขอขมาสักหน่อยก็ไม่เสียหายเรื่องเหล้าเบียร์สิ่งของมึนเมาก่อนกินก็เปิดเส้นเจ้าที่ก่อนสักสองสามฝา แล้วค่อยลามากินก็ได้ครับสิ่งเหนือธรรมชาติมันมีมากมายครับสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ควรบูชาไม่ใช่เห็นเป็นเรื่องเสียเวลาสำหรับเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าคุณผู้ฟังชอบฟังเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนอย่าลืมกดติดตามช่อง เรื่องเล่าผีหลอนกันด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังเรื่องผีเรื่องลีลับเรื่องใดสามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ